นโมทัสสะตวตอะระหังโตสมมาสมุทัสสะนโมัสสะาวโตุอะระหัโตสมมาสมุทัสสะนโมทัสสะตถวตอะระหังโตสมมาสมุทัสสะตัังตัีท่าก็จะได้แสดงบรรยา ป, ประโยชน์กับยันโดทั้งหลายแม้พวกเราทั้งหลายในที่นี้หรือในที่ไหนก็ตา ม, มยอดรังสุดเกศพวกในปรารถนาที่จะให้ความทุกข์เพิ่มเติมติมปรารถนาที่จะห่างไกลจากความาทุกข์ให้ไกลที่สุดแต่ว่าความจริงนี่คือว่า ความาทุกข์เนี่ยเป็นธรรมดางชีวิตไม่มีใครที่จะมีความทุกข์คนความทุกข์นั้นสามารถจะมาในรูปลักษณะต่างตาเช่นมาเจความปวยความใหญ่ชราตามทุกขสูญเสียทั้งหมดนี้แม่ว่าเราจะกำกับเทียนใดมันก็ต้องเกิดขึ้นกับเรา พยายามทำอันนี้คือถ่าวร้ายแต่ข่าวทีรื่คือว่าแม้มันเกิดขึ้นกับเราแม้มีเหตุร้ายไม่มีประสงค์ปรากดกับเราทาให้ผู้ ก, กายทาให้สู้เสียสักแต่ว่าให้ผู้ใจทำได้ ทูกแต่งายแต่ว่าใจไม่ทุกอันนี้เป็นไปได้แล้วก็ควรจะเป็นด้วยเพราะไปแล้วเนี่ยความทุกใจเนี่ยความเสีใจของคนทุกวันนี้ เทคโนโลยีป้างพร้คมทงวัตถุทำให้คนทุกวันนี้เนี่ยมีความถูกตายน้อยลงมีความสบดสุดกสบายใจมากขึ้นถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราก็คงจะนัมม่งอยู่ ก, กาาลางสารา หรือว่ากลางลานกว้างที่ร้อนเดรนี่เราฟังทำได้ในห้องที่เย็นสบายอย่างตรงนี้จะมาที่นี่ไม่ต้องเดินกันนะไม่ต้องเหนือน่อยเพราะเรามีรถ พาลูกมาถึงที่มาถึงแล้วนั่งปรชุอยู่ชั้น3ทชั้น4ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดให้เหนื่อยก็ได้เรมีบันไดเลื่อนเรมีลิฟต์เหยนที่ต่างทั้งหมดะดสบายกันเยอะเช่นจอการเนินชีวิตการทำงานเนี่ย แล้วก็สุดสบายมากขึ้นนั่นหมายความว่าความสุขกายมีน้อยลง โ, โครคภัยไข้เจ็บที่เคยเกินเดียนป่วยยากตายยากของเราเดีอนนี้ก็น้อยลงวางโรคก็สูญทางใจแล้วให้ใจเราทุกวนที่มีความสุขกาย มากกว่าก่อ น, นียอาจจะมากกว่าพระราชาในสมัยก่อนเลยซ้ำต้องเตะสมัยก่อนก็ให้สบายท่ากบพวกเร า, เราในยุคนี้แต่ว่าความพูดใจมันไม่ได้ลดลงเลยความพูดใจอาจจะมากกว่าคนสมัยก่อนเลยส้ ถ้าเราดูจากคนเป็น โ, น โ, โรคประสาทคนที่เป็นโรคเรียอนจนนอนไม่หลับคิดไม่ได้ต้องพึ่งยายคนที่ฆ่าตัวตายซึ่งเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีอันนี้ในเรื่องห้ากระหน ความทุกข์ใจเป็นเรื่องใจของคนยุคปัจจุบันทางกลา ง, งความคร่งคร้อฐางวัตถุและความสวสบาย่างการแต่ถามว่าความทุกข์ใจเนี่ยเราสามารถจะเรียกได้ไหมถ้าจะเป็นาวพื้นนี้แล้วก็ช่วยกันทำได้แล้วก็เปิดทางด้ ความทุกข์ใจมันเกิด này, จ, จากอะไรความทุกข์ใจเนี่ยถึงมิสูรรามเนี่ยสาเหตุมันไม่ได้มานจากไหนมันเกิดที่ใจเราเนี่ยถ้ามีความทุกข์กายก็อาจจะเกิดจากแดดร้อนอาจจะเกิดจากเชื้อโรค อาจจะเกิดจากความทุนรนทุดายความมิโบวแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถทำให้ผู้ใจได้แม้แต่ความผูกายที่เกิดจากการถูกทำร้ายบัติเหตุหรือว่าเชื่อรโรคโรคภัยไข้เจ็บสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างมากมันก็ แค่ทาให้ทุกขก์ใแต่มันไม่สามารถทำให้ทุกข์ใจได้ทุกข์ใจเนี่ยนะมันเกิดจากใจของเราเองหรือ้าพูดให้งา่ายๆก็คือเกิดจากตัวเราอันนี้พูดแบบง่ายๆแต่ว่าเพื่อให้ถูกต้องเนี่ยมันเกิดจากใจที่วางไว้ในตอง ใจใจที่ผักใสไม่ยอมรับเสียงดังไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจเลยแต่หลายคนให้ทุกข์ใจเมื่อเกิดเสียงดังเกิดความยุ่งยิบรถติดก็ไม่ไดาทให้ทุกข์ใจเพราะว่าเรานั่งเลยรถติดแต่ทางเปิดเพลงเพราะ แต่หลายคนก็ทุกข์ใจยิ่งเกิดความรู้สึกผิดเราไม่มีเพราะอะไรไม่ใช่เพราะรเราติดนะแต่เพราะว่าจิตมันต่อต้อตอานมันฝังสจิตไม่ชอบที่ไม่ชอบเพราะอะไรก็อาจจะคิดปรุงแต่งไปข้างหน้าว่าถ้าติดการนี้อีกไปห้านาทีสิบนาทีหุ่นขนโมงก็จะไปทำงานสาย ก็จะติให้กับเพื่อนไปประชุมในคันตกเครื่องบินทั้งหมดนี้ไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าคิดไปแล้วตอนคิดไปแล้วเนี่ยก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความกังวลจิ๋ก็เลยยิ่งยอมรับกับสภาพรถติดไม่ได้เกิดอาการผักใสนักแสดงดังคนดังแล้วเนี่ยมันไม่ทําให้ทุกอกยก่างเราใจไม่ชอบ แะเสียงตะกร้อจะเป็นเสียงมือโทนใช้มือโทนลูกกล้องนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ า, ามันดังตรงนี้ในห้องประชุมนี้หรือดังที่เรากลังทางสมาธิใจเนี่ยเป็นทุกขันทีเป็นทุกข์เ พ, พราะความเพชอบไม่ใช่เพราะเสียงไม่ใช่กลายกับนะพวกเราทราบใช่ไมเรียงเนี่ย เลี่ยมันเกล็ดเกล็เกล็ดกรปิมากเกิดแค่บางคนเนี่ยโยนข้าเหนียวให้มายัดไส้กับกระปิเลี้ยมมันกินข้าเหนียวพอมตไก่ตาวเนีว้วเรากเราว่ามันก็ไปถู ก, กับกรปิที่ข้างในมือมันเปื้อนกระปิมันเกล็ดกับปิมากมันทำยังไงถ้ามือมันเปื้อนกระปิเนี่ยมันก็จะเอามือเนี่ยถูถูถู กับเปลือกไม้ถูกับผิสรก็มาดมีนตะดอยู่ก็ถูอนะถ้ามีหินตะปิมันียกถูต่อไปจนแค่งทีเป็นแผลนะิลอกเลือดไหลตอนกัมีหิตปิดมันก็ยังนถูนะโดทแผลเนี่ยเบืองความก็มีคำถามคือว่าอะไรทาให้ริ้เนี่ยมือเป็นแผลอะไรทาให้ มันเลือดไหล่ตอปกติป ก, ต, กติไม่ทาให้ิเ่ยเลือดไหลไม่ทาให้ลเนเปนแผลแต่ที่เลือด ไ, ไหลก็ความเปตใจที่เป ก, ต, เกตินี่แหละที่มันทาให้เป็นทุกข์ทให้เนี่ยเป็นแผลทให้เนี่ยเลือนไหลปเปบอกปกติไม่ใช่ั เนารความเกิความเความทุกใจเราเหมือนกันนะแล้ก mm ุเพราะว่าเสียงดังทุกข้แดกร้อนไม่เข้าใจแบบนั้นทุกข้อเพื่อรุ่งน้ำไมน่ารักทุกข้อรุติทุกข้องานไม่สาเร็จทุกขาอเงินหายของเสียไปที่มัไม่ใช่หรอกแต่ทอใจที่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไได้ ไอ้ที่มันยอมรับมันก็มีความยึดติะเจ็บที่ติดในของยึดติดใ น, นในทรัพย์พอมันหายไปเสียไปเรืออ้ยึดติดในความคาดหวไม่ต้องไปถึงให้ทันเวลาจะต้องไปก่อนเวลาติดนักไม่ได้พอมันไม่ไปไปอย่างที่คิดไห่ไปไปอย่างที่ยึดติดเนี่ยทุกเลย แล้วมันก็จะเกิดการผักใสไม่ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ตรงที่ต่งางเช่นในกับลิงเนี่ยนะลิงมันเป็นแผลไม่ใช่ปกติเลยเพราใจมันเปลีป่นนยนปกติผักใสต่อต้อตานมันเยอะใจเราที่มันทำให้ปุ๊บเป็นเหตุแห่งทุ๊บที่ได้ลิงที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนประกอบ ผู้ชมเคยาบว่ามือที่ไม่มีแผลจับต้องยาพิษก็ไม่มีอันตรายแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไรเนี่ยไปถูกยาพิษเข้าเนี่ยมันถึงจะเกิดเหตุร้ายเป็นอันตรายถ้ามือเราไม่มีแผลเราดูแลมือดี จะจับจะป้องอะไรก็ปลอดภัยแต่ถ้ามือมราโดแผลเนี่ยนะเดีย๋ยวว่าแต่ยางพิเเลยนะแม้กระทั่งใบหญ้าใบหญ้าเนี่ยมันอ่อนคล้อยแต่พอไปถูกมันเข้านี่หรือพอไปถูกยอดหญ้ามันเจ็บ ให้ปัญหาจริงเนี่ยนะไม่ใช่ปัจจัยภายนอกแต่ปัญหาจริงคือปัจจัยภายในก็คือถ้ามีความ ท, ทุกข์ใจปัจจัยภายในทีใจของเราใจเรามีแผลมันคูกอะไรก็เลยเจ็บไปหมดแม้แค่ลมป่างลมป่างที่มันไม่ได้ทำอะไรให้ผูปกายเลยแต่ว่ามันทำให้เจ็บปวดรวดร้าวติดใจถึงท่าน ทำร้ายได้หรือไม่หรือท่านทํำร้ายตัวอยู่ได้คาถามเพื่อใจเป็นแผลได้เพราะอะไรเป็นเพราะเราไม่รักษาใช่ไหมเป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกใช่ไหมถ้าเราวางใจไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ะจะกลายเป็นคนที่ซ้าเติมทำร้ายตัวเอง กูจะกล่าวว่าคนพากัญญาสามย่อมทํากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูใครๆบอกว่าฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองแต่บางครั้งเนี่ยเราทําร้ายตัวเองเหมือนก็เป็นศัตรูเหมือนก็เป็นอริคนพากัญญาสมย่อมทํากับตัวเองเหมือนดันเป็นศัตรูหมายว่าหมายว่าทําร้ายตัวเอง สร้างความเชื่อตัวเองอาจจะด้วยการจิดศีลบนะพรมปัญญาศาสตร์เนี่ยก็ทำชั่วเพราะที่ว่าทำชั่วแล้วเนี่ยเช่นโ ก, ง, กงทรัพย์ท่างนั้นจะเจริญแต่กูบากว่ามันสร้างความเดือดร้อนใจให้ใครๆหลังดูร้อนร้อนทุก กินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะกลัวกฎหมายหรือว่ารู้สึกผิดที่ทาชั่วแล้ววันว น, นี้คุณยิ่งไอโดนตำรวจจับหรือว่าถ้าผิดศีลข้อ5้าเมาขับรถเกิดปฏิเิติทารการหรือว่าตาย อันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองจการติดสีนคนที่ทำเชนก็ยอดเป็นคนพาปบางอยาา่างแต่ถึงแม้จะรักษาสินครบห้าข้อแต่ถ้ารักษาใจไม่เป็นรักษ า, กษาแต่ศินแต่ว่าใจไม่รักษาสำคัญ น, นะหลายคนในรักษาสินเพ่งพระแต่ว่าใจไม่รักษา ยึดติดถือมัน่นทำใจไม่ได้กับความสูญเสียความ พ, พรดพลาดทำใจไม่ได้กับทำาตาข่าว่าตามทอรักษาสีเคร่งครัดแต่ว่าอารมณ์มีมิชอบทำเหตุเป็นพูดคอยตดตาว่าหรือสุขิดเตี ย, ยแต่คนพูดเข้ารู้ว่าเนี่ย รักษาสิ้นแต่ทำไมยังโกรธเขาวัาแต่ทำไมยังเป็ น, บบน อ, อย่างนี้เนี่ยพอได้ลมปากก็ทบองปูงงฉะนั้นแหละปูโกรธโมโหอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณภายปาระจายส้ำไหมคือทำร้ายตัวเอทำร้ายตัวอด้ว ย, ยการเปิดช่องให้ความโกรธ โดยทั้งอารมณ์หนูเช่นความความหงหงิดความาท้อใจเข้ามาทาําไรจิตใจอันนี้ก็รู้ว่าทำรายตัวเองพราะถ้าคนที่เขารักตัวเองก็จะ ห, หาทางป้องกันรักษาใจรักษาสิ่งมีความรักษาใจเพื่อเจอคาพูดเจอปากเจอเหตุร้ายอย่างไรเนี่ย ก็รักษาใจให้ไม่ให้มากระทบเสียแต่ของแต่ใจไม่เสียเสียแต่งานคือล้มเหลวแต่ว่าจใจไม่เสียตั้งนี้ได้เรียกว่าเป็นคนที่รักษาใจเป็นคนที่ไม่ซ้ำเกิดตัวเอง ไม่ทางกับ เ, เ, วนนนะ เ, บเัวเองนเลยสักตัถ้าทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบซ้าเติมตัวเองไม่ได้ซ้าเติมตัวเองด้วยการทำร้ายทางกายแต่ทำร้ายจิตใจแต่ก็ไม่แน่บางคนะทำร้ายจิตใจมากๆเนี่ยมันก็อยากจะทาร้ายตัวเองทำร้ายร่างกายตัวเองเอามีดมาี โอโห้โขกคือเ ด, เด็กเนี่ยเด็กคนเนี่ยนะเคยเจอไหมเด็กเนี่ยบางคนยัยวัยสองสาขวดเนี่ ย, 2, น เ, นยเวลาร้องไห้แล้วแม่ร้องไห้อยงจะได้โน่ได้นี่แต่แม่แมแมไม่สนใจก็จะโกรธแล้วก็จะโอโห้โขกคืออันนี้เราทำร้ายตัวเองไหของไม่ได้เห็นเจ็ตัวอย่างรแต่ไม่เจ็บมีแ่เด็กนะผู้ใหญ่เราเปิดไ ทำร้ายตัวเองขอตัวสัมฤทธิ์จากแม่ไม่ได้หรือว่าแฟนผูกไม่ทำอะไรให้ถูกใจตัวเองบางทีก็ทำร้ายตัวเองถ้าตัวตายก็มีหรือว่าเกี่ยวกับเอาเงี้ยกรีดแข่ง บาคนเงินหายเงินหายหรือว่าถูกโกงมีบางคนมีวิสุขกว่าถูกโกงนไปแสนเสียใจมากแตไม่ทำไงนะทั้งแค้นทั้งรุ่นใจใจก็เลยไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเป็นเช่นนี่หนัเกเรื่องเงิน แม่ขอร้องไว้กินเถิดให้นอนเกิดใจก็มีถามว่าทำอะไรได้อะไรเลยก็ไม่ได้คือแถมสุขภาพก็แย่อย่างนี้เรียว่าไม่ได้รักเลยนะอย่างนี้เรียว่ารักเงินรักเงินแต่ไม่รักตัวองเงินหายไปเลยเสียใจทั้งคนที่มามากเนี่ยบอกว่ารวยกัน ทรัรักเลยรักเลยนีไม่รักเลยรักเงินดูใจคนเงินแกไปทำสร้อยแกไปทำกาไรหายกาไรส่งแจกอาจจะเป็นมา ต, ตกท่อมาจากแม่สีเจ็ดสดกว่าแล้วคนงานเนะีแกทำความสามเณรดีทัว่างกวาไรนตรกท้องร่องเลยเสียใจมาก ซุดเลยป่วยรายขึ้นปวดปวดภาคปวดทมามการภรษาได้ข่าวก็รีบไปเราะว่ายายป่วยหนักเพราะว่าฉลาหรืว่าเป็นโรคหัวใจเป็นมะเร็งเพราะว่าทางบ้านบอกว่าป่วยหนักพอมาถึงเลยพบว่าหนอที่ไว้เป็นโรคเะไรเลยแต่เพราะว่าทิฐิฝังเสียใจมา นี่เหมือนกันนะไม่ได้รักตัวเองนะแต่ว่ารักส้อยรักอะไรจริงสามารถที่จะทำร้ายป่ยกว่าให้อารมณ์มันก้มลงทำร้ายจิตใจแล้วก็ทำร้ายร่างกายป่วย อ, อันนี้เรียกว่าทำเติมป่ยเสียของแล้วเนี่ยแทนที่จะเสียแค่ของก็ ทำให้ใจเสียสุขภาพก็เสียอันนี้คือความหมายว่าเนี่ยคนทางปัญญาสามย่อมทำ ต, ตัวเองเหมือนดัเปนสตนคนทางปัญญาสามไอ้ที่ไม่เป็นต้องหมายถคนที่ไม่มีสีเท่านนะแม้มีสีหักครกแต่อย่างทีธรรมาบอกคือรักษาแต่สีเินลไม่รักษาจาปัญญาสามคือมีไม่ฉลาด ไม่รู้จักมองทีมองใจงไม่รู้จักรักษาใจไม่รู้จักวิธีมุ่นฉลาดว่าถ้าจะเสียก็แค่เสียอย่างเดียวอย่าให้มันเสียสองเสียสาถ้าคุ่นฉลาดมันจะเสียแค่อย่างเดียวทํานองเดียกันเวลาเขาทำอะไรก็าจะเหนื่งงอยกายเขจะไม่ไม่ปล่อยให้ใจเหนือยไปไม่ปล่อยให้ใจเหนือ่อย เนยใจทุกใจด้วยอะไรเพราะอะไรเพราะปวดเวยไว้ที en. ่วยที them, ่ายเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จหรือว่าเวยไว้เพื่อนที่กินแรงใหเราเหนื่อยใจเนี่ยสายซ้ำตัวตัวเองด้วยการทำไายจิดใจทำไมมนกินแรงเราทำไมเป็นเราอันนี้เรียกว่า ทำร้ายินทำกระเด็นนไดสังกระโดครานี้เนี่ยนะถามว่าเราควรจะรักษาใจอย่างไรไม่ให้ดุก็วิธีการวางใจวางใจให้เป็นถ้าระวังใจเป็นนะมันเกิดเหตุร้ายอย่างไร ใจเราก็มีปุ่ไม่ทุกอย่างเดียวะไม่พอนนะสามารถจะได้ไประโกับ์จามันด้วยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวนะที่ประเทนอังกยษชาวอิตาลคนนึงในปัจจุบันกวา่าที่จอนจอนโรเจอร์การเดินเล่นหรือไปเวณบ้าง เัาแรกมางจอคก็มีพีคนน้งเนี่ยวินนง่งมานข้างหลังจนลมเลยทีแรกใจก็้ว่าเกิดม า, า, า, มาเกอะแต่ทำไมเกิดมาร้อเล่นแรงอันไปมองไ ม, ม่จับผีคนนี้เลยมีคนนี้นเนี่ยได้ไดนะ้ขับพายีมิสเซลน์เอามีดจวงแทนตามลำาตัวามแขนขารวมแล้วเกิดสี่สิบแ แล้วก็ยืมทีไปปล่อยให้แกจมนกรเรื่อดครั้งนี้มีคนเห็นพาแกส่งนรงพยาบาลช่วยชีวิตได้ทันทีต่อมาไม่กี่วนันมาไมกี่วันเนี่ยตํารวจก็จับผิดั้งได้แล้วก็ได้ทราบว่าพิเนี่ยในช่วงสิบวันที่ผ่านมาฟอรเหตุแบบนี้เนี่ยทําให้คนตายแล้วสามคน อีาคนบัเเดเจ็บสาหัสหนึในนั้นที่บาดเจ็บก็คือคอณงรเจอร์เยอไม่รู้จักะไรกับผีเมืองนี้เลยไม่รู้เรื่องเสื่อแแคงอะไรกันแต่คงเป็นพวกเพื่อโรคจิตอะไรนั้นหลังจากทีตำรวจจับผีนีไ้ได้ผู้สื่อ ข, ข่าวไปสัมภาษณ์ ร, รูจอจ์นเนี่ยมีอะไรอยาจะบอกผู้หญิง่อนี้ไหมตอนนี้ตำรวจจำได้มั้ยพูดสีาาพาๆมจอรจอห์นี่ แ, พ, าา แ, แพูดโดยที่ไม่มีแ้วความโกรธอาฆาตยาบาทเนี่ยแ่พูดว่าเนี่ยใหญ่จะถามทีนะว่าทาอย่างนี้เฉยๆทำไม ทำในเลือกของผมไปคือกางงนะแต่จะไม่มีความโกรธเลยผู้สื่อข่าวก็ถามไปว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมบ้างไหมแกตอบว่ามันทำให้ผมได้คิดว่าวันนึงเนี่ยผมเจอเล่นอยู่หน้าบ้านอาจจะมีรถโดยสารหรือรถเมล์เนี่ย พวกมาชนบรรทัพุมตายได้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นอดไรตรงนั้นมาไม่แน่นอนชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ผมได้คิดว่าจะต้องทำสิ่งสำคัญที่สุดเสียใจกว่านี้หรือถ้าพูดอีกอย่างคือาาทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่รู้จะมีพุดนยังไงบ้า อารมความรูปเรราวของจอห์นโรเจอร์ทำให้ทำให้โกดธขึ้นไม่ได้นะคือแกก็ไม่โกรธแต่แกก็ยังรู้จักหาประโยชน์จากเหตุจากเหตุที่จะบนทีโพนทีพายว่าทำไมถึงเกิดกับฉันทำไมมันซวยแบบนี้ฉันทำกรรมอะไรไว้ถึงต้องมาเจอแบบนี้ ไม่มีอะไรนี้ในใจความคิดใจเลย ม, มันกลับเกินใจให้แก่เนี่ยไม่ประมาทกับชีวิตทาให้แก่ระงับถึงความเร่งรวบในการทาสิ่งดีทำสิ่งที่สาคัญกับชีวิตเนแต่วันนี้อีกที่เรียกว่าได้ประโยชน์นะจากจากเหตรายตอนนี้เวลาเวล า, เวลาเรา เจอความทุกไหนี่ยสมาี่ว่าสิ่งที่เราควรมีหรือว่าค่าทนีน่ที่แบาที่เราเควรทาเมื่อเกิดเสียดายกับชีวิตของเราอย่าง่าวอากตั้ต้นแล้วว่าไอ้ความทุหรือเียายเนี่ยมันเสิ่งที่เราถ้ไม่ว่านนีน้นนเราต้องเจอแต่มเมื่อเจอแล้วทนที่เราจะซ้ําเตือนตัวเอง ทุกกายไม่พอทุกใจเสียความได้พอนะใจก็เสียสุขภาพก็เสียทำร้ายตัวเองสาเติดตัวเองอันนี้เรามีสิทธิ์ดีกว่านั้นที่เราเปิดทำก็คือหนึ่งรักษาใจให้ปกติสองหาเพื่อน่มา อันนี้คือาที่ที่จะช่วยทำให้เราเนสามารถจะผ่านก้าวข้ามความทุกข์ไปได้ทั้งสองข้อสำคัญมากเริ่มต้นที่ข้อแรกเนี่ยรักษาใจให้ปกติหมายความว่าจะเสียของเสียเงิน จะเจ็บปวดอย่างไรแต่ใจเราไม่โกรธเคืองไได้กระตูกเขาทำร้ายแต่ว่าเขาเจ็บแตตัวแต่ว่ารักษาใจไม่ให้เจ็บไม่ให้คขดอันนี้เป็นอย่างแรกในหน้าที่ชาวทุกข์เราควรจะทำเมื่อเกิดเจตไร้ขึ้นมากับชีวิตไม่ว่ามาจากบาในรูปใด ความเจ็บความป่วยความแก่ชราความสูญเสียพัดพลาดเสื่อมยศเสื่อมราที่เราอภิษฐาลทักสายใจปกติอยา่าซ้ำเติมตัวเอ ง, เงคนที่ทำกับเราไม่พอเนี่ยเราอย่าทำร้ายาตัวเองเขาถาว่าเรา เขามุงร้ายให้เราเจ็บให้เราปวดแต่ถ้าเราปลาป่อยปล่อยใจให้เจ็บปวดอันนี้ก็เะบอกว่าเราสนองเราสนองเจตนาลงเทาและที่ย่กคือเรากำลังทำรายกูเราจะรักษาใจให้ปกติได้อย่างไรอาการแรกคว่ายอมรับมาก่อนยอมรับา ยอมรับแต่ว่าได้บวรตีคยตีไปไม่โวยวายเมื่อในทางที่เราบวยวายตีคนตีใารเนี่ยเฉดรถติดก็ปนแดดร้อนก็ปนป่วยก็ก็เวยว้ทําไมต้องเป็นช้ำแต่ยุนี้แสดงว่าเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นใจเราพยายามตัดสแลไดใจที่ผัดสายได้หลังคืนที่มางควาทุก เมื่อขับลิงที่มันเปลี่ยนสติมันเป็นเจ็บปวดสติไม่ได้ทำให้มันเป็นแผลรวดแต่ใจที่เปลี่ยนตัวติการยองรับความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเป็คือตั้งเป้นของการที่จะช่วยทำให้เราใจใจเป็นตัวติแล้วก็ไม่ทำลายโดยไม่สร้างเติมเดย แม้ความเจ็บจะเจ็บปวดและถ้ารยอมรับมันได้เนี่ยเราม่ทํทำให้ใจเราเนี่ยกลักบเป็นปกติได้ในสัสนาุทธการเนี่ยมีผู้หญิงคนนึ่งซึ่งฉลาดนะจากที่สามตัวยี้เธอเป็นคนฉลาดแล้วเจอได้มัแต่งงานกับครอบครัวที่มีฐานะแล้วต่อมาก็มีลูกที่หน้ารักง รูยงหน้าูแสมขวบเนบอกว่าตายทาคงป่วยตายเทใจไม่ไดุ้้มศพรวมเนี่ยไปขอให้ใครกับใครเนี่ยช่วยช่วยชีวิตให้คืนใจมอรับไม่ได้ใครก็ใส่หัวบอกว่าลูกจะตายแล้วม่ีใครช่วยได้เธอก็ไม่อมรคนบอกว่าไปหาผาย ตอนนัยนผู้ใต้ที่เชตวันนาลูกศพลูกในี่ไปหามผูเจ้าผู้เจ้าเห็นเนยก็รู้เลยว่ากรณีนี้เนี่สอนทำมากไปก็คงไม่มีประโยชน์ผู้เจ้าทเลยสอนนะท่านก็รู้คนด้วยไม่ใช่ว่าสอนแต่พือตักนบางคนพวกเ็รู้ว่าเขาเน่เป็นเหมือนกับแก้วที่มีน้ำเต็ แก่ที่น้ำ เ, เติมเติมอะไรไปก็ลดหมดคุณจำเลยให้สอนให้สอนเรื่องชนิจการผู้ขังต่างๆได้สอนให้เห็นว่าชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงคุณยาฉลาดแต่คุณจำพูดอีกแบบหนึ่ว่าเราช่วยเธอได้ก็คือหาได้ต่างต่างกับ้านที่มีูลตางนางก็ดีใจเรียกุ่มส่งลูไปที่เขาไปในสาวัดสี ไปถามบ้านโน้นบ้านนี้ว่ามีไม่ทำการไหมก็แล้วก็ตอบว่มีแต่พอถามว่ามีคนตายไหมก็พ่อทุกบ้านก็มีคนตายทั้งนั้นคุณพ่อคุัวก็มีการสูญเสียทั้งนั้นและไม่ใช่สูญเสียธรรมด า, าที่ก็สูญเสียกางบ้านหรือตกั้กกนไหนเราก็ตายกันในบ้านหรือตายที่โรงพา ย, พกกยบาบาเพราะชันนเด บ้านนี้ก็เสียปูบ้านนี้ก็เสียหญ้าบ้านนี้ก็เสียผัวเสียเมียบ้านนี้เสียลูกบ้านนี้ก็เสียหลานที่เราท้อที่เราท้อเธอก็เลือกตระหนักว่าความตายเป็นธรรมดาของทุกครอบครัวความพัดพาดเป็นธรรมดาของทุกบ้านเธอไม่ได้สูญเสียคนเดียวคนอื่นก็สูญเสียเหมือนกัน พอได้ผูกความผิดแบบนี้เนี่ยใจก็เริ่ยอมรับได้พอใจยอมรับได้เนี่ยนะก็รูกตายแล้วเนี่ยเนะีก็อยู่ที่เราเลยพุ่งศพลูกไปที่ป่าชาลักเข า, าขเหมอชัยก็มาเฝ้าผู้จ้าทีนี้ผูจ้าแสดงคำนะบอกว่ามันจุดราต้องพัดพาที่หลงไหลติดตึ้นในรูปในเมียใน หัวในทรัพย์สมบัติในสัตว์เวียนเขตเช่นน้ำป่าที่พักพาคุ้ที่หลับไหลไปเช่นนั้นนางสาวคนนี้เนี่ยได้ฟังพิจนารณาตามและเนื่องจากเคยได้ไประสบกับความสูญเสียมากมายจริงๆเห็นโทษของความหินติ่งอพิจนารณาเนี่ยปัญญาเขาเกิด การรุกทำหรือกรโสดาร์บจากคนซึ่งเรียกว่าชาติจะไม่มี ส, กกสติสตางค์อยู่แล้วจากการโสดาจากงทนจากความสูญเสียหรือถ้าไมสูญเสียรูปนี้ก็ยังคงเป็นุชลคนธรรมาดาอันนี้ก็ชื่อเห็นไว่าความสูญเสียก็มีประโยชน์ความทุกข์ก็มีประโยชน์ แล้วในเชฟผมว่าในี่คนเราเนี่ถ้าเรายอมรับความจริงได้เนี่ยจริงมันก็จะกลับไปปกตววลิลองสังเกตเวลาเราสังเกตใจเราฮนะเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยเวลาเราเกิดความไม่พอใจเนี่เวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยมันเกิดความทุกข์ไหนไมันเพราะอะไรเป็นเพราะใจเราผันสายใจเราไม่ยอกเราบใช่ไหม การต่อมาคือเรืร่งูกเที่ยปล่อยวางก็เงินก็หายไปแล้วโทรศัพท์ก็ถูกคนขโมยไปแล้วถ้าเลยปล่อยว า, ไไาไย ง, า ไ, มม ไ, มวงไม่ได้เนี่ยเราจะม่เสียัของมันจะไเสียโทรศัพท์ใจเราจะเสียพอใจเสียสิ่งกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็เสีเย ไปทำงานก็ไม่มีสมาธิเอาแต่กลุ้มอกกลุ้ใจกับของที่หายทำงานไม่ได้งานก็เสียเพื่อมาหยอกล้อแต่ก่อนเพื่อนก็ช่วยก็คุยหยอกล้อเพื่อนตอบกลับไปแต่วันนี้พร้อมมือหมีพร้อมกลุ้มใจเพื่อมาหยอกมาล้อกราษเพื่อทะเลาะกันเสียเพื่อน บางทีเสพพูดเสพคนนี่นะเมื่อสักปีที่แล้วมันมีคลิวดีโอเปิดให้เปิดให้คุโร่เขาทำมันเปิให้คุโร่เปวิญญาที่ายใน้าสิบสี่ท่ในปเทีต่ถาผู้ชาย ทำให้การใช้ัมีปราพรทธมารดว่าผู้หญิงเนี่ยอยากใช้การซูมไอโฟน s ที่นี่จะมีการดา่ชายยอมซู้หญิงก็ต้องกรม่อมีเสียใจมน้อยมสับสนใช้กยาจ เลยพ่คามาเสียใจกับลกนะแกก็เริ่มขอดเสือ้อเสือ้อยดก็ดถอดมางเน้อเกทั้งหมดนี้นมันอยู่ในกล้องวงจรปิแล้วก็มีแต่ตามี่าปล่าเปือยกนยืนอยูอ่ั่ ทำนองว่าจกันผู้ชายไม่ได้ผู้ชายจะกระท้วงกระท้วงเลยผู้ชายก็ไปสใจผู้ชายก็เลยนี่ผู้หญิก็เลยตาจะเอาไม่ได้เจขนอาชีพาที่เลยแบานั้นใจใ่ใจก็ีเสื้อีเงาให้ดีคมจะช่วยเกิดสังเลยผู้หงผมจะ ก็จะเริ่มการใส่เสเื่อผะาันเดิมอัน น, น, นี้มันชี้เลยนะคนเราเนี่ยถ้าเราไม่จัควางใจในนี้พอเราเสียหรือเราไม่ได้ไม่ได้โทรศัพท์หรือหรือว่าเสียโอกาสที่ได้โทรศัพท์หรือมันก็จะเสียใจก็เสีย แล้วเรสียบุญเสีเนี่ยเวลาเวลาเจอเานี้ต้องก่อนจุดวจับจจิตใจมอ่มั่นี่จนะอาคัญมากนะ สมัยพกาลเนี่ยมีพะฤาษี dying, ิยะพัิยะต้อง้่ที่เตวมีพระฤาษรล้วก็การบุญมาเสวยงานมาสมารถ้าเรามชรปีน้จะว่าผเจ้า พระเจ้าก็ฝ่ายรู้พระเจ้าส อ, อ, รร อ, อนเราพระเจ้าสอนว่าให้วางข้างหน้าวางข้างขวาแล้วก็วางข้างกลางเหยียดพิณในอารมณ์อาจี ด้านลาคตไม่ดยดมีนะไรรบกวนทุกภัใ่ใไมว่าเราดูอะที่พอใจไม่พอใจก็ไม่มีกวนแล้วสำคัจะรู้ต่อกว่าเมื่อเขาว้าเนเมืองโก็ให้วางคำกล่ายว่าลงน้ำยาวลงน้ำ เมื่อเขามาว่าท่านเลยนะก็ให้ของวางนะครับแต่วางสมบูรนอย่าอึนบวถ้าเขามาว่าท่านในองค์อาลเกิวมาอย่าเอาประกอบโดท่านใชพูดได้เต่มประการมากคือใช้เรื่องอวบาถ้าไปประเด็นอาโรดีอาัติุณาลก็เรื่องอุบาล รวมทั้นทาต่อว่าหลังคอให้วาไอ้ที่เรารู้เพื่อถูกต่อว่าหลังคอเน่มันเป็นข้อเรารู้จัวางและตอนเรื่องจับวางเนี่ยมันนี้สร้างความปวดขัดใจหรือไม่ก็พอรู้ตีดใจ คำพูดของใครถ้าเราไม่เป็นเจาของคิดเนี่ยมันก็ทำร้ายเราไดเรามีพีโ่โัวอยู่บนฝ่ามือมีเสียแก้วคมงอยู่ในฝ่ามือเนี่มันทำร้ายรได้นะมันทำา้ายเราไม่ได้ต่เมื่อเราดีเรากลางเนี่ยดีกกลางกลางกกลางมันจเฉีย ฝากมือาวันนี้เราให้ฝากมือเราเป็นแทลืถามว่าอะไรเชนรเนี่นเราจะโทษที่จะโทษจะตกลงได้ถ้าเราไม่กล้ไม่ีมันทาอะไรไม่ได้ในนี้โกแรงหรือ่เสียกระจกแต่เรต้องกรรมั้งข้ม้่างก็รักรรมใกก็รับกรร ใจที่มันวนที่ถึงแต่คาพูดถึงแต่การทําป็นเหการอันเจ็บวี่มันผ่านไปแล้วเป็นวันเป็นอาทิเป็นคือนเป็นีแต่เรานี่ยอมให้มันผ่านไปก็จะไปช่วยจับเอามาย้ำลึกย้ำคิดแล้วก็เจ็บปวดเองอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมโดยนี่เรียกว่าทลายตัวเองอี ก, กรรมทไมลึกถึงม จริงเนี่ยเราต้องทำอะไรนะถ้ามืออยู่ในฝามือเราเนี่ยเราดึงแต่เคล็ดมือเท่านั้นมันก็ตกลงไปแล้วแต่ทำไมเราไม่ยอมคลิปเออก้องหีนเนี่ยหลายคนบอกว่าหนักก้อนหีนมันหนักเหลือเกินคำถามคือเราแตกทำไมหลายคนก็จะไปโคดไปด่าก้อนหีว่าทาไมมันหนักแบนี้ ทำไมมึงหนักแบบนี้แต่ไม่ถามคือว่าแล้วเราแบกเองทำไมเราแบกมันทีนเคย่อนี้ตำรวจนายตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยมีความทุกข์มากวันนี้ก็เลยไปที่วัดของกอบโภคทำไม นั่นผมก็ชาวสุโทยัยมีชสามสิบสิ่สิบปีเทีย้ไปก็เปนผนระบายความรู้เนื่องจา ก, กเป็นตำรวจที่ส่อสั่งไปโผ น, นว่าเจ้านายไปทงการแกล้งลูปน้องก็คอยตักหลังตัวรอง น, นายก็คอย เ้ื่อยขาเท่านี้ทำดีแค่ไหนก็ไม่ได้รับการเลือกให้วังผุมากท้อแท้ให้มีความสุขเลยกับการทงานเพราะว่าจ้อลนาเลื่อยโงานรูน้องคอยแต่งได้แตงความ หพาอาก็ฟามไ่ ไ, ไพูดอะไรฟังอย่างเดียวเลยจนกระทั่งในตนท้่พูดตบหลวงพ่อชาตก็ชี้ไปที่ก้อนหินที่หน้าผุิสามารถเหนก้อนนั้นเนี่ยหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมแบกไม่ไหวครับเลยถ้าไม่ไหวก็อย่าแบกไหนะเอาผู้ชี่ยี่นี่นะทุกท่นได้สตปนะตสติว่าอะไร ได้เห็นว่าที่ทุกเนี่ยนะเป็นเพราะไปแต่แดกปัญหาต่างๆในที่ทํางา น, นแล้วก็ไปโทษว่าทําไมปัญหามันใหญ่ทำไมมันมันเยอะแบบนี้แต่ว่าคาํออ า, า, าพูดของผู้ชาร์ตไม่ได้คิดว่าเรือว่าเราแตกเลยใครหอเราทุกข์เราะเราแตกมาต่างหากพเราเรามีความผู้เราจะโทษข้างนอกปวดปัญหาผู้ชาร์ แต่ลืมลมาดูใจว่เพ่แล้วเราแบกเราที่มันเป็นทไมเป็นอย่างนี้นะเวลาหลวอใช้เติบเ่าเวลามีหลุมนะเอามือลุไปในหลุมเนี่ยถ้ามือลุไปไม่ถึงกนหลุมเนี่ยคนก็จะพูดว่าหลุมมันลึกแต่คนเปน้อยเป็นพันเป็นหมืนไม่เคยบอกเลยว่าเป็นเพราะแขนเราสั้นเราบตัวหลุมมัน่ไม่เคยบอกเว่าทำไมแขนเราสั้น โทษแต่ร so, really? ู้นึอะไรม่ว่าชอบโทษสิ่อนส่งจิตออกนอกแล้วพอเช่นนี้แหละมันก็เลยแตกปล่อยให้จิตมันแตกโดยมือร้วถ้าเราแบมองใจตัวเองาห็นแล้วเรป็ขอรูแตกตัวมีข้อ้แตกแต่พขไม่มองที่ใจตัวเองเนี่ยมันก็เลยให้เห็น แล้วที่เราแบก เ, เ, เ, เม่าไหร่เพราะเราลืมตัวตอนเราต้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่มีเสียงเมื่อไหร่มันไม่แบกมันไม่แบกไอ้ที่แบกก็ลืมตัวเหมือนกับคนที่ไฟไหม้ไฟไหม้บ้านเนี่ยก็เีไปไปขุดเอาทรัพย์สินเงินทองในบา้านออกมาจาเปลวเพื อ, อ, อ, อบางคนนี่ก็เลยแบกกระตูออกมา ร้สเหนื่อยกันทั้มี่มีน้ำต็คนสมัยก่อนก็มีโอบมีตุ่มในบ้านนะแต่อี่ทึบไม่มีนะแกอะไรนะไอ้ตอนที่มีออกมาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยอารมณตกใจกลัวพอมีสติขึ้นมาเนี่ยรู้เลยนะโอผมหนักนะแล้วก็รู้แล้วสงสัยว่ากูแบกทาไมเนี่ยตมเนี่ยทนที่จะเอาสโนดทนที่จะเอาของมีค่าออื่นเช่นทรัพย์สินเงทอง คอยอยแบบนี้มายแบกโผมรู้สึกหนักเลยนะเพราะลืมตัวอาจจะรู้สึกหนักแล้วไม่รู้ว่าหนักเพราะอะไรพราขายตัวแล้วรู้ไหมว่าเป็พราแตกโผมาพรรู้สนาือวันั่คอเราที่เราปล่อยวางเปเพราะเรามตัวแล้วพอเราลืตัวเราต้องแตก การต่อไปเนี่ยเข้าจากการยอมรับความจริงการจักปล่อยวางเนี่ยผู้จับมองนี้เนี่ยปวดมากมองแน่ยวดเพราะว่าไนคนก็พูดหรือทิยาิไปต่างๆนานาแล้วมองกมองวคือมองว่าอนาคตจะสดใสชั่วช้วาแต่มองปมมาเห็ว่าไอ้สิ่งที่เราขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่อนไม่ใช่ทางสเรื่อข้นในปัจจุบันที่เรามองมันแย่ ก็อาจจะมี้านดีก็ได้มองเหวคือการมองเหน็นสิ่งดีที่มันอยู่ปากคนหดือว่าสิ่งยแย่ๆบางทีสิ่งยแย่มันมีไม่กี่อย่างนะแต่สิ่งที่ดีก็มีเยอะนะแต่มองแค่เห็นไปเหแค่ในสิ่งที่มันแย่ได้เท่าไหร่ไม่เห็นในแต่สิ่งที่มันเสียมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเห็นแต่สิ่งที่มันสูงไปเมื่อ ปี53มันเกิดจะลาะจลกลากลุงใช่ไหมฮะแล้วก็มีเหตุการณ์ฆ่าฝังผู้คนไปเรื่อยๆก็มีร้านค้ที่ชื่อดังโดนไฟเผาไปหมดไปสิ 4, สาขาทั้งที่สยามทั้งที่รันดาทประตูน้ำที่เาเวรยิม ไม่รู้หนุเลยนะสาขาร้านนะถูกเผาเลยผู้จัด ก, การนี่ก็มารายงานซีอโอซีโอนี่ก็เจ้าของซีโอนี่ก็ครอบครัวเป็เจ้าของบนระิษัทที่ชื่อดังเยอะก็มารายงนานนะสีหน้าเศร้าสร้อยซีโอก็พูดขึ้นมาว่าร้านเราถูกเผาสีสาขาแต่เรามีท้องสามร้ยยี่สิบสาขานะ สีชมพูนี่ไม่เสียใจเลยผูกเขาสี่สายหนึ่งเป็นหลายสิบล้านนะแต่จะมองเข้าไปต้องสี่หนึ่งสามหนึ่งี่มองแบบนี้เข้านี้นะไอ้สี่สายที่ผูกเขาเนะี่ยมันกายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยใช่ไหมมองบวกคือการมองว่าไม่ได้มองว่าเราเสียอะไรไปแต่เรามองว่าเรามีเท่าไหร่ด้วยเปิดเราไม่ต้องมองลบก็แค่ว่าเราเสียเราเสีย แต่ถ้ามองเราคือมอ ง, องว่าเอ้ยเราเรามีเท่าไหร่มีตัวอย่างที่ต้อมาช่องเราพูดถึงมีสมุดได้เป็นสาวที่น้องสองคนที่ไปโรกทรัสซีนเลยถ้าเสือโรคร้ายไปโรคเลื อ, อกตีาการกรรมพั น, นแล้วก็ขอาพวกที่เป็นทรัสซีนีอย่างแรงบอกว่าอยูได้ไปเกิดยี่สิบ เพราะว่าเธอสองคนก็อยู่ได้กว่าคือคนนอกตายเมื่อสมีที่ล้วตอนนั้นก็อายุสากว่าทั้งสองคนเนี่ยจกดตาโตนัวเล็กไร้แรงผอนแอร์รับเลือกเป็นประจำทุกทีกระดูกรอกร่ที่ไหลเนี่ยกระดูกตรักใสแขนหัก็ขาหัใส่เคือมาสิตัวทั้ง แต่ต้องรท่มีความสุขสมควรแปลกใจว่าทำมีความสุขได้ไนวันตายเมือไหร่ก็มีควาสุขภาคก็อภัยทุกทุกบอกว่าเลือดชายแม่ได้แยกแต่สายก็ยมีตาเห็นสิ่งสวยงามมีจมูกลมเป็นหอมหูก็ฟังเสียงไครร้อได้ปากก็พิมของอร่อยกินอะไรก็อร่อ่างกายก็เดืนเตะไปไหนมาไหนได้แค่ที่มีความสุข คนที่มองรถนเนี่ยแต่ว่าเลือดฉันแย่เลือดฉันแย่เลือดฉันแย่คนที่มองตัว ก, ก็จะมองว่าโอ้แต่นี่มีตาหูจมูกลิ้นแต่นี่มีร่นนะางนะกายมีมือไม้ที่ะเดินได้ตางแนะบางคนเนี่ยเพรว่มีมะเร็งที่ลำไส้ก็จะคิดคแดนมะเร็งที่มันลเป็นป่วยที่แต่ลำไส้มันเป็นมะเร็งคิดแค่นั้นแหละแต่คนที่มองตวกูมองอว่าตัว ฉันยังมีตาฉันยังมีหูแลฉันยังมีจมูกฉันยังมีหัวใจฉันมีสมองฉันยังมีปากมีไตที่ยงดีร่างกายฉันมีร้อยอย่างมีเสียแค่สองช้มีเสียแค่อย่างสองอย่างแต่เก้สิสิบเกอย่างเป็นตจัีคนมองลเนี่ยเห็นแต่ในสิ่งที่มันเสียไปคือหน่รือสองอย่างที่มันเป็นมาเองแต่คนมองบวคือมองเห็น 98, 99อย่างที่ยังดีในขั้นมองวันนี้เนี่ยนะมันก็จะเกิบโตมั่นค ง, งสาคัญนะฮะหลายคนนี้มองในแต่รถมองในแต่สจุดที่เสียมองใ น, นสุ่ที่ไม่สูงไปสิ่งที่ไม่สงวหวไอ้ที่ได้มาที่สําเร็จเนี่ยมองไม่แต่ถ้าลองกลับมามองนะมันจะมันจะยิ่ได้ วเวลาที้ทุกค น, นช่วงโวยกซิโกเ่างอิเสรีนะเพราะก่อ น, นที่จะเป็นโคโ้ชทีมชาติเขาเคยเป็นนักฟบอลหลักซุปเปอร์สตาร์ก็เคยเล่เเเอนบอลอาชีพเลยตาองเล่นบอลอาชีพที่ไต้วมาเลซียโกพเวียด น, นามเรนนอมียนตอนหลังเนี่ยสงวมรนุกฤษก็ติดต่อทำสัญญาเขา ซื้อตัวเขาไปเป็นไปแข่งให้กับทีมตุกรกีมันเป็นข่าวใหญ่ามากเมื่อ 14-15 ปีก่อนคนไทยจะได้ไปแข่งในอังกฤษและนี่คือความฝังซิโกเหมือันที่โกฝั น, น ก, ก็จะได้สวมเสื้อทีมสโมสรอังกฤษลงแข่งในสนามใส่คนวแ้กตัวรอดเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้ลงสนามเขาได้แงหน้าโดยตัวสมรอข้างสนาม คิดโผิดความมากก็เครียดล่อากด้วยสุดท้ายเขาก็ต้องกลับถึงไทยโดยที่ไม่ได้ลงสลากหรือไม่แต่กางเปี่ยนแล้วก็เวลาเาขาต้องเหตุการณ์เขาต้องสิทธิความโนเหตุแต่ผ่านไปหลายปีคนสองข่ายเขาเรื่องนี้เขายินมนะเขา ย, ยินบอกมันไม่มีอะไรเลยผม ค, คิดมากไป คิดผิดคิดถึงเรืองว่ามองผิดแต่อาจารย์ู่ว่าปไปอังกิษครั้งนั้นมามีแต่ได้ผได้ได้บ้านได้รถได้ภษาได้พัฒนาทักษะได้เปิดมุมองใหม่ใหม่ได้ท่องเที่ยวได้เจอคนมากมายได้สัมผัสอย่ที่มีสี์แองเกิลสในโลกเสียงเดียวกือแม่ที่ แต่ตอนนั้นใหม่ๆก็เห็นแต่ว่าฉันเสียฉันเสียคุณไม่ได้เลยเพามองไม่เห็นก็บบได้อะไรก็จกระทั่งผ่าไปอลายทีก็รู้ใช่ได้คุณเยลยขาก็เลยบอกเนี่ยที่เกิดปัาเพราขามองไม่เขามองไม่ออกเขมองไองม่เป็นถ้ามองไปก็จะเห็นว่าโอ้ได้คุณเยอะเนี่ยนะได้คุณงปลกจากแต่เขาเสียอย่างเดียวเนี่ยเวลาบางทีถ้าลอาถ้าเรามองไม่เป็นนั้นก็จะเจอเรื่องทเจอแต่ เหตุการมอง่ายเยมอีกความหมายขอการมองว่าไอสิ่งที่เยมันมีข้อดียังไงบ้างเจ็บป่วยมีข้อดียังไงบ้างาารดว่าป่วยทุกทีความปื่ให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องของสังขารฉลาดว่าให้รู้ว่าสังขารไม่เทรียง เราเจ็บป่วยมาตัวเราสังกัดไม่เที่ยงเว้ยมันเป็นุกู้เว้ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราเว้ยตัวเราถ้าเจ็บป่วยเนี่ยแล้วเราก็ฉลากรบที่เลยนะถือว่าเราได้ประโยชน์ําต่อว่าอยากฟอกก็มีประโยชน์ประโยชน์อย่างไร พรอยชนส่วใจที่เราเข้แข็งส่อใจเราปล่อยวางทำให้เราเห็นว่าเรามีข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างหรือว่าฝึกให้เรารู้จับลดระกอัตตาเกิดโกเพราะว่าที่เราโกรธมันจะรู้ลืมในอดทนสมัยที่หลวงปู่ถารอะดูวิชยู่เนี่ยที่วัดท่ากองเพดเนี่ยไปมีแม่ชีคนชื่อแม่ชีสา แม่ชีสานี่ดูแลพระเนี่ดีมากแล้วก็สนใจปฏิบัติธรรมจงท้านหลวง ป, ปู่ขาวชมว่าหลวง ป, ปู่ขาวก็สั่งให้รูกสิสองรูปเนี่ยเกินพระไปต่อว่าไปดาไ่าแห้ศีสาตุบายกางทุจาลตนะท่านก็เป็นวิธีการสอนศึกไ ป, ไ, ไปด่าแม่ชีสาไปรว้แม่ชีสาเนี่ย ไปทำอย่างไรทั้งสองรูปเนี่ยนะรูปนก็เป็นอาจารย์จูบตัวเชิ โ, โทัก็ไปแล้วก็ไปดา่าไอ้ทีสาทีเ่เก่งเยไอ้ทีสาที่แล้วก็งงนะแต่ว่าก็ตั้งสติได้ก็ถนมมือแล้วก็ฟังทำดูการอย่างสงบทั้งสองท่านนี่ก็ดาดา่คุท่านี่ก็ดาแล้วก็เลยจีบให้ทีสารก็เลยพูดว่า พราจาร์ไม่เงยตาแล้วเลยฉันามงด้านตีอ ด, ดีสันฟังแล้วสร้่ยสรางซึ้งใจเหลือเกินที่ด า, ามทุกคนเนี่นะเป็นธรรมะล้วนๆเลยความหน้าทุกคนมาดา ม, นะมันจะได้ชุด ข, ขูดกิเลสของมีีตัม่ใช่สายานที่จะเที่ยวโอ้ยนักศึษาทำดีนักศึกษา ต้มเทเพื่อพระเด็กทำไมมองวาดกิสนอย่างนี้แล้วคนอื่นเขารู้เขาก็จะวาเดเขาก็จะมองแสดงลายเนี่ยมีครูบาอาจารย์ด่าท่องนี้นเสียหน้าจะเอาหน้าไปโศกที่ไหนไ ม, ม่คิดสามไม่คิดแบบนี้เลยแต่คนส่ น, นคิดยิ่งทำดีเท่าไหร่ยิ่น้อยใจยว่าครูบาอาจารย์เขาว่าฉันทำดีทำไมไม่ได้ดีหลายคนคิดแบบนี้ซึ่งก็คือการซ้าเติมเลยแต่ไม่ิสาเนี่ยคิดแบงว่าโอ ที่ดูด่าว่าการดีหรือเกินนั้นูดกีเลสดีมาเรื่อยๆนะกีเลสไม่ได้เบาบางไอเกียร์มันดิ่นไปลองชิดไหล่ดูบ้างก็ดีเหรือเนี่ยนรู้จักมองพวกเรานี่คือการมองหัวมองหูการมองเหนประโยชน์ของสิ่งที่คนมองว่ามันแย่ไม่อย่างนี้นดูด่าว่ากล่าวความเจ็บป่วยของหายดีก็มาสอนเราว่าไม่เลยที่ดีของเราเลย ทุกอย่างที่มาอยู่กับเรามนอยู่ช่วคราวของหายมันเจอว่าเหนื่อยเครียดไม่เดีเยบทีเราเพราะมันคือเราว่าวันนี้หายแค่นี้วันหน้าจะยิ่งแบบ น, นี้ให้เตรียมใจไว้และสุดท้ายมันมีเท่าไหร่ก็หมดใช่ไหมคนเรามีเท่าไหร่นะสักวันมันต้องหมดหมดสิ้นเลยนะคือตันที่เราต้องกางตอนนี้ต้องกางย่างไรทุกอย่าง แต่ว่าแต่ทรัพย์สินเงินทองเติมระแล้วก็ทั้งลมหายใจก็เปอยู่ร่างก็แบบนี้แหละหมดทอย่างเพราะฉะนั้น เ, เนี่ยเตรียงใจด้วแต่วันนี้เตรียงใจด้วยการที่ได้เรียนรู้จากไอซีเนี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปมันก็จะไปไปเสริมกับข้อที่สอง ก็คือรู้จักหาประโยชน์จากเกียรติร้อยนี่เราบอกไว้แลอกไว้แล้วนะคนรังเนี่ยเมื่อเราเจอทุกเนี่ยทำอย่างไรเรามีแนววิจุตใจเนี่ยมีรับสายใ้ปกติต้องใส่ใจปกติเที่เราเสมอตัวแต่ถ้าเราไม่ทํานั้นเราจะขาดคุณคจะไม่เสียแต่ซักใจก็เสียสุขภาพก็เ ส, สียงานก็เสียเสียเครื่อเสียผู้เสียคนถ้าเราไม่รักษายใจปกติมันจะเสีย เป็นรูปร่างนาจะไม่ใช่แค่สมรรตัวจะติดลบคนส่วนใหญ่าะติดลบแต่ที่เสียอ่งก็เสียสองอย่างองงานเสียงาวมเหลวตัวรถเหลวเหลวงพ่อครัลงพเียนคุยเสมุนะถ้าทางานเยอะทางานเรื่องช่วยหือชุมชนรักป่าแล้วบท่านก็พบว่ามันค่อยๆสร็จมีคนมาถามว่า หลวพ่อที่ทาไปสาเร็จไม่หอกไม่สำเร็จหองานรุ่มเหลวแต่ตัวหลวพ่อไม่รุ่มเร็วสำหบงานรุ่มเห็วแต่ตัวหลวพ่อไม่รุ่มเร็วคือหมายความท่าไม่ทุกถ้าเราสั่งตาปกติเราก็จะเสมเหตตัวไม่ติดลบแต่ถ้าเรารู้จักหาประโยชน์จากเหตุร้ายเราจะได้กำไรอย่างจอนโรเจอร์ในการูก ที้งสิทธิ์้เนี่ยกายเจ็บตัวไม่กินนะแต่ว่ากายได้ธรรมะว่าอย่ากปรารถนาชีวิตอะไรอะไรก็ไม่ที่เราเจ็บป่วยถ้าเราหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยอันนี้เพื่อเราได้ทําไรป่วยใด้กายแต่ว่าใจได้ธรรมะความป่วยมันเตือนให้เราอยากปรารถนาชีวิตวันนี้ปว่วยเท่า น, นี้มันน่าจะป่วยหนักกว่า น, นี้ วันนี้ถ้าทำใจไม่ได้แล้ววันหน้าที่จากงคนนี้จะทำใจอย่างไรแค่เปิดหัวตัวร้อน ย, ยังปวดปวดอีภายใค่เป็นหอยปวดตีบปวดอีพายแล้วเกิดโคม่าใส่ท่อนอนอยู่โรงพยาบาลทำหน้าที่ต่างเนี่ยจะทำใจอย่างไรนอนปิดเตียงจะทำใจอย่างไรแต่ถ้าเกว่าเออ เราบอว่าจะปว่วยครั้งที่เรามาสอนให้เรารู้จักทำใจนะวันหน้าถ้าเราเจอแบบคนนี้เราไปได้ผ่านไปได้ข้ามคนไปได้เราใชปร่โยจากความเจ็บป่วยได้ในการเรียนรูน้ธรรมะหวงคุครั้งอะไรโยนึนนนนะทงท่านป่วยบ่อยนะสมัยท่านพูดในป่าท่านพูดได้เป็นความเตือนใจเลยดีท่าบอกว่าเวลาป่วยนะอย่าไปอยากหาย อย่าไปอยากหายจากทุกเวทนาทุกเวทนาความเจ็บปวดอย่าไปอยากหายจากทุกเวทนาเพราะที่อยากหายเนี่ยมันจะไปเพิ่มสมุนไทยทำให้ทำให้ทุกข์หนักขึ้นเพราะความอยากเป็นเป็นเป็นเป็นสมุนไพรหมายความว่าอยากหายแล้วมันไม่หายเนี่ยมีทุกข์อยากหายอยากหายปวดแต่มันไม่ปวดตัว่แบบมีทุกข์เพราะมันไม่สมอยาก มันใช่ว่ามันจะไปเพิ่มสมุนไทยทําให้ทุกข์มากขึ้นท่านบอกว่าถ้าอยาที่ให้อยากเห็นความจริงจากทุกขเวทนาไม่เหมือนกันนะอย า, ายกให้แบบทุกขเวทน า, ากับอยากเห็นความจริงจากทุกขเวทนาความเก็บความปวดมสอนอะไรเราถ้าอยากเห็นความจริงแบบทุกขเวทนาเนี่ยมันจะเป็นองคมรรค ที่ช่วยขัดที่ขัดคูเกิเลสทำให้รู้พ้นจากทุกข์นะนี่เวลาป่วยเนี่ยนะออเราหมอให้เราหมอเออต้างรงสอนธระมะขเรารสอนเรื่องรูปเรื่องนามสอนเรื่องใจนะสอนให้เห็นว่าเนี่ยสำคัญเป็นทุกข์เดือกะเป็นต้นให้เรารู้จักนะประโน์นจากความทุกข์ หาประยชแต่เกยดร้ายแล้วเราจะพบสุดเราจะพบสุดเมื่อเราวางใจเป็นหลายคนบอกว่าช่วงดีเป็มเะเรงขอบคุณที่เป็มะเรงเพื่อธรมาคนโง่เนี่ยคอยที่เต็มะเรงสองที่สุดท้ายคือความสุดมาก สองปีสุดทายมช่วยเพิ่มอยู่คามสุขสุขตอนที่ไม่เป็นมะเร็งเพราะว่าความตายที่ไายขึ้มามัสอนให้เธอรู้จักปล่อยวางต้องเรียกปล่อยวางว่าเพราะทำไมปล่อยวางเนี่ยมันจะมันจะทรมาร์ตถ้าปล่อยวางแล้วเนี่ยมันก็จะพูดแต่งกายใจมีทุกข์พอปล่อยวางเข้ามันก็เกิดความสงบอาจารย์กําังทำลุืมรุ่น ซึ่งเป็นคนที่ตาพุ้นเสียชีวิตเมื่อเมื่อไปเมื่อที่แล้วแล้วก็พลังขอสมเมื่อต้นเดือนนี้ที่ตามาสามสปีตั้งแต่ยี่สิบสี่จนี่สิบหกสิบอ็ดสิบปีแรกนี่ทรมานมากเพราะว่ามันไม่หายก็เลยเหมือนก็อยู่รอวันตายใส่สุดท้ายเขาได้ปฏิบัติธรรมจากหลวงพ่อคำเขียนท่านสอนให้เดียวสติ ใจลอยจะเอาม้เสือตบที่มือไปที่มือมาให้เห็นว่าอที่คลิ๊นี่เป็นรูปที่คิดใจ้อยนี่เป็นนามมันไม่มีเราเลยมันมีแตรูปแต่นามถึงตัวนี้ล้วก็เห็นความจริงของนี่แบอกว่าเนี่ยอที่ิการหรู้วาอ้ที่พิการที่การแต่กายใจเป็นอ้ที่การด้วยก็เป็นความจริงพื้นฐานนะที่การที่ารที่การกต่กายแต่พอไปที่ว่าฉันที่การฉันที่การนี่นะใจเป็นทการแต่งทุกอย แต่พอเห็นความจริงว่ามันมีแต่รูปที่มีตามมันไมมีโฉดสันที่ผิดการจริตก็หล่อจากความทุกข์เลยดละตารางใจบางคนก็พูดว่าเนี่ยขอบคุณความทุกนะข์นพรความทุกข์เนี่ยมันทําให้เรารู้จักทุกข์และทําให้เรารู้วิธีออกจากทุกข์พอรู้เหยียออกจากทุกเกิดขึ้นเกิดความสุขเป็นสุขที่เกิดจากการที่ได้เข้าใจทุกข์ และจะเข้าใจทุกเร่งต้องเจอทุกนะเวลาเวลาเจอทุกเรื่องเนี่ยนะส่วนใหญ่บา ง, งใจไม่เป็นเจอทุกป้อนาายังไม่เป็นนะก็เป็นูกยทุกเนี่ยก็มีไว้ให้ดูพูะเจ้ตรว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้กำหนดรู้ในที่แ้แปลว่ารู้ทั่วถึงเราจะรู้ได้เราก็ต้องดูเราต้องเห็นมา เมื่อเราจอรู้จักสิ่เราจะรู้จักต้นไม้เราต้องดูต้นไม้เต้องพิจารณาต้ น, นไม้เราจะรู้จักใรเราต้องหมั่นดูหมั่นสังเกตแต่ส่วญ่พอเจอทุกเนี่ยนะเป็นทุกไม่ใช่เห็นไม่ใช่รู้ทุกหรืออย่างง่ายๆเราโปวดเราลเมื่อยเนี่ยกี่คนที่เห็นความโปวดความเมื่อยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ปวดทุกเมื่อย มันก็เลยทุกเนี่ยอันนี้เรื่องทุกใจมันทุกใจเรื่อถ้าเราไม่เห็นนะเราก็ไปเป็นนะมันทุกใจตามมาม so ันไม่ใช่แค่ทุกกายปวดเมื่อยถ้าไม่เห็นความปวดความเมื่อยมันเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยใจทุกใจมันปวดใจมันเมื่อยตามอันนี้เราซ้ําเกิมไปเพราะฉะนั้นทำไมทุกครัเราี่ซ้ำเกิดไปเราจำปวดเมื่อยเนี่ยคอให้การปวดกายมีใจมันปวดใจมันเมื่อยใจ ที่เราไปจับเหนน็นถ้าเราเจญสตินเนี่ยนะเราจะมีเครื่องมือในการที่จะรู้จักทุกพเพราะสตงมันทำให้เห็นให้เข้าไปเป็นพอเห็นทุกมันก็จะรู้ว่าทุกเนี่ยมันมาจากอะไรเกริดปัญญา แต่ถึงได้ยังไม่เกิดปัญญาที่จะรู้ว่าทุกเกิดอะไรแต่ว่าเขียนแค่เขียนเนี่ยนะไม่เป็นเนี่ยใจมันก็สงบมันปวดกายนะต่ใจสงบเพราะป็นเนี่ยความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะพบได้ในท่างกลากความทุกข์ห่วยด้ยโรคอะไรก็ตามในใจเป็นสุขได้ เหลาเทเจตงงคนบอกว่าแม้จิตสดใสแม่กายี่การจิตสดใสแม่กายพิการหนังสือที่เรามาแจกวันนี้ก็เป็นเรื่องประวัติของอาจารย์บางคนส่วนตนเกิดชาวไทยเกิดได้ไปแล้วด้วยอ่ากำปั้นองลู้ในไทยก็ขอยให้ได้ร่วมนั่นก็คืออุปกรณ์สอนธรร แตเพราะชนะที่อ่านะนนนนะให้เราเนี่ยรู้จักหาประโยชน์จากความทู้กข์กไม่ได้จะให้พุกข์มันกระทําเราเราต้องใช้ประโยชน์จากมันพระนันทียะได้พูดกับพระอุปเรมารสอนเลยว่าพระคู้มีพระภาคเจ้ า, จาได้สอนว่าผู้ใ ด, ดที่ับหาประโยชน์จากอิทารลนและอานิธาโล น, น ผู้มีพร ะ, พระวจสะสารเสด็จผู้นั้นา เ, เก็ดกัรเดอันนี้คือประโยชน์สุดท้ายที่พระอุทิยาพูดกับ พ, พระองค์ที่รีมาพูดไดเยอะนั้นมีประโยชน์มากเลยแต่ว่าประโยชน์ท้ายสาคัญผู้ใดขึ้นกับ้ำี่เดยปารวและนิถาวปีถารก็คือรู้ระเบียบเสียงที่่าอดใจเหตุการณ์ที่น่ากอด ใ, ใจได้ล่าได้ลมีคนสารเสด็จ อันที่ทารุคือรูปขนเสียงที่ไม่ร่าพอใจรวมทั้งเหตุการณ์ที่เสื่อมล่าเสือ่อมยดต่อว่าดับเขาผู้ชายทีอยาเรือจับมันกรวจารศรีเพเป็นปัญเด็กและนี่แหละคือพิธีการที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านผู้ไปโงสุดได้อย่าลืมว่าผู้เนี่ยไม่ได้ดีว่ให้ําครัว ทุกเนี่ยมีไว้ให้ใครตรวจไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นทุกข์มาแล้วก็จะท่ำครวญแต่ถ้าจะใครครวญได้ความเห็นทุกข์แล้วการเห็นนั้นจะทําให้เกิดปัญญาทําให้เราสามารถยุติความทุกข์ได้และทําให้พบสุขด้วยพิธีกรกล่าวว่าเนผู้มีปัญญาแม้สุขทุกข์ก็ยังหาสุข ไม่ร้องร้อยทือมันหายไปนะถ้ า, ถาต้นสูงนะแต่ร้องร้อใช้ทุกหมดไต่กลอมเนยังสูงไม่ใช่และในท่าการความทุกถ้ามีตันยาก็หาสูตคพูดเอามาใช้ในเราเขาสูตรพูดนะก็ใช้สูงนี้ก็ขออ้างคุณนภาษีรักรลัไตรำนวนตัวอย่างทุกท่านทางที่เป็นเจ้าคณะคณะเจ้าพายายญาติโยมผู้ที่อฟังธรรม ป่อยได้เจยด้วยอายุวนันการสุขภพระเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดี้ำให้ถึงเราะม์ด้วยกายสินขาคือสีสมาธิปัญญาเพื่อนาพาชีวิตให้ผ่านพ้นอุปสรรคก้าวข้ามความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกใดใดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจขอให้มีปัญญาพาจิตข้าถึงความสุกระเสดสามีพระนิพพานในที่มาให้ถึงทีงุ่